ตวังโตฤหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้ <c oughs> มีเรื่องของการขัดข้องติดขัดอยู่ ถ้าเราไม่ได้เคยฝึกจิตไม่รู้เท่า ข้อยังกำหนดกดเจนให้เป็นไปฉะนั้นแม้สิ่งต่างๆบุคคลทั่วไป และเป็นของที่สลับสับเปลี่ยนกันไปเช่นมีพระอาทิตย์ ก็สามารถจะได้ลาภได้ยศส่งเสริมทุกข์ ถ้าแกเราได้เพียงคนเดียวใจเดียวปัญหาก็น้อยฉะนั้นในเรื่องของผู้ที่เข้ามาในวัดกรรมฐานแล้วพยายามทําใจให้เห็น เรื่องของชีวิตนั้นก็มีส่วนสิ่งภายนอกมากมายหลาย จะมีรูปร่างต่างกันสีผิวต่างกันตามทีกายกรรมมีวาจาวจีกรรมแล้วก็จิตใจมโนกรรมเรื่องเกี่ยวข้องก็มีทั่ว จะก็เรียกว่าอยู่ในปฏิรูปประเทศพยายามให้มีสภาวะเค้าเรียกว่าอยู่ใน โสตสบายะอาการมีความอบอุ่นพอดีพอ การเวศีลนี้ที่เกี่ยวห้องเราเป็นพิษเป็นภัยก็ยะ น่ารุ่นรมต่างๆอีกตัวนึงก็เรียกว่ามีเกี่ยวกับบุคคละ ตามมามีความรู้ความเข้าใจทางโลกทางวิชาการอาชีพได้พบบุคคลที่ดีได้สถานที่ที่เหมาะ เป็นหมดร้อมในโลกนั้นข้ออันข้อทําก็มีมากมายย่นย่อมันก็มาที่ตัวเรา เวลานี้พวกเราทั้งหลายล้วนได้มาอยู่ใน งานบําแจซึ่งธรรมดาแล้วส่วนที่โคยราณีมีผู้แล้วถ้าเราไปไป คนใจบุญก็มาเอาบุญยินดี เห็นได้ว่าเวลานี้ทั้งญาติโยมมารักษาศีลบาทกันมากมาย ศรัทธาในพระธรรมประสงค์มีตัฏฐาเชื่อกฎแห่งกรรมถึงจะมา ฝืนเถอะเป็นบทเรียนแล้วก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่ เรื่องของธรรมะก็จะมีว่าอะไรที่เป็นความไม่ดีท่านก็บอกไว้เป็นบาปอะไรที่ เป็นเปลือกคือหมายถึงที่ดีดีตรงเรื่องกภีหมายถึงเช่นหลวงปู่มั่นผู้สาว ซึ่งท่านร่วงรับไปก่อนธรรรมทรงรับไปก่อนเผื่อว่าไม่ได้มาถามที่ เรื่องของคุณธรรมนั้นเป็นของตรังแต่ว่าผู้ใดที่ยึดรับถ่ายทอดธรรมะ ร้อนแล้วก็มีเย็นมีขาวมีดํามีสบายมีไม่สบายก็เรียกว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายสว่างฝ่ายเย็นฝ่ายสบายก็เรียกเป็นกุศลธรรม ไม่ระวังนักไหม้มืดนักโชตะหลวงไหม้ร้อนนักไหม้เย็นนัก เช่นว่าเรานั่งถ้าเรานั่งฟังธรรมนั่งไปว่าธรรมอย่างนี้ขึ้นเรียกว่าเป็นได้กุศลธรรมทุกระยะที่นั่งแต่บางครั้งนะเค้านั่งดื่มสุรายาเมานั่งเล่นกันเท่า แต่เมื่อท่านมาไม่ทันหรือว่ามาไม่เป็นสัญญาณแล้วก็คุณคนงัวหรือหัวเสียอย่างนั้นไปเอาอกุศลธรรมแม้เรา เป็นการเดินเพื่อจะมาทําคุณงามดีต่างๆก็ถือไปแม้ไม่หลับก็ยังเป็นกุศลธรรมให้กระจายเรา ว่าเราจะเข้าใจควบคุมจิตก็เป็นไปตามกิเลสตัณหาก็เรื่องของบาปโดยย่นย่อก็มี 3 ตัวเท่าเองคือโลภแล้วก็โกรธแล้วตัวย่อยก็คือเช่นว่าที่มีดิถีมานะถือตัวไม่เคยนอบน้อมหรือ มีแต่ช่างจักรักกับลูกเขาหรือไม่เคยโมทนาความดีใครมีอีศาณด้วยชาเขาหรือว่าไม่สนใจฟังธรรมฟังแต่สิ่งเลวไรเถอะเถอะแล้ว ส่วนบนนั้นก็คือเยนการช่วยเหลือผู้อื่นเท่าดีสามารถทานการเอื้อเฟื้อๆการโมทนา เมื่อมีผู้อํานวยผู้นายของพอจะสอนได้อบรมเขาก็ทําให้เกิดความทุกข์ความยากแล้วไม่ต้องขึ้นธรรมมาไม่เชื่อกฎแห่ง น่ามีไม่เชื่อผีทั้งเทวดามีไม่เชื่อว่าของผลของความดีและความชั่วเรียกว่าไม่ฉะติเท ทำดีได้ดีทันทีที่ใจทำชั่วของผลภายนอกนั้นเป็นเรื่องแล้วแต่การแล้วแต่สมัยใจทำดี ท่านรางสังฆานที่พิสุทธิ์แล้วต้องฝึกหัดในการนั่งโพนาทําจิตให้สงบระงับท่านบรินั้นท่านนิยมสอนในเรื่องกรรมฐานสําคัญที่สุด คือมีสติระลึกถึงลมหายใจ เียงคืนเดียวแท้ๆเลยจาด้วยความเพียรเพ่งที่ จิตสงบยิ่งยพระองค์ยังทรงลึกก่อนเดือนก่อนปีก่อนทั้งกันได้สุดคือมันมีชาติก่อน ความจริงเรื่องการลุชาตเก่านั้นไม่ให้ตามไปรู้ไกลถันไกลไปข้างหลังหรอกแต่ความจริงปัจจุบันคือกรรม แต่ผลคือส่งมาที่จิตถ้าพูดดีทําอ่า ได้เก็บชาติกอนพบกอนไว้เป็นอันมากทรงครีฑาย เบื้องหน้าเดี๋ยวตายแล้วกายแตกนั้นสัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเราทั้งหลายนั้นเมื่อยังไม่บริสุทธิ์จิตใจยังเรานอนเราก่อนนอนเราไม่สุขภาพดีตื่นนอนความสุขภาพดีก็ยังมีอยู่ไม่ ทันใดก่อนจะหมดลมหายใจนั้นถ้าใครจิตใจ จะไปทนทีในพบที่ดีก็ติดที่นาเพื่อไปสุคติ อัญญอนความเพียรทรงความเพียรต่อเนื่องแล้วก็ด้วยความประกอบอย่างยิ่งจึงเกิดปัญญาฐานะขั้นสุดท้ายเรียกว่าอภิเฌยาน ได้สังสมบุญญาณเมมาหลายพบหลายชาติแล้วแม้ในชาติปัจจุบันนี้ก็มายึดและยีต่อสมบัติ มันรู้จบสักเพลงแต่เมื่อพระองค์มาบำเพ็ญด้านภาวนานี้เมื่อหมดกิเลสแล้วจิตบริสุทธิ์แล้วจึงทรงรู้ทั่วยัสสะว่าพร้อมจันบำเพ็ญ คนทุกข์เกิดขึ้นนั้นเมื่อพระองค์หมดกิเลสเข้าเถนิพพานแล้วก็หมดทุกข์โดยปริยายไม่ต้องไปขลขอให้เพื่อคมทนทุกข์อีกส่วนทุกข์ทางกายเหมือนคนธรรมดามีหิวก็หายมีร้อนมีหนาวมีเจ็บมีไข้นั้นธรรมดาแต่ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเหลือพระองค์เป็นยังไงใจพระองค์ไม่ การคนทุกข์แท้จริงนั้นต้องประกันแก้สงบพองสายเท่าที่สามารถและพระองค์ต้องรู้ชัดว่าเบื้อง ในส่วนเกี่ยวกับพื้นฐานของเราถ้ามีการศึกษาดีที่เขาอ่ายก ไม่ค่อยมีใครมาช่วยหรือเบียดเบียนก็ขาดทุนและสําคัญก็คือว่ามีเรื่องของสุขภาพเมื่อยังแข็งแรงไม่ กรรมเนี่ย 200 เย็นเมื่อถึงภาผลวาระแล้วก็ต้องออกไปสุขภาพที่แข็งแรงวันหนึ่งสุขภาพทุจโทมไปที่จะ แต่ความดีอยู่มั่นคงความมีอยู่มั่นคงเพราะระลึกอยู่ ความดีมีบุญคุณน้อยใหญ่เป็นต้นฉะนั้นในการที่เราได้มาบำเพ็ญความดีมี อาจจะมีวันไม่มีคาได้ฟังธรรมะแต่ทุกสิ่งก็เป็น เรื่องของสังขารโดยพระศรีระท่านโนรีท่านล่วงรับ 4 6 ปีแล้วทําไมถึงยังมีการบูชายังถึงเอาไว้ก็ไม่มีใครมาดูแล ญาติอยู่ก็ยังมีคนกราบไหว้จะปง ท่านมีคุณนามธรรมดีที่ควรแก่การเคารพควรแก่การที่ยะมาปรบัติวิชาท่าน เมื่อเราต้องการที่จะเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกธรรมอยู่ รู้แล้วแต่แต่ยังหลักเดียวกันว่า 5 เพียงแล้วได้เพียงแค่เปลือศาสนาถ้าต้องการได้มากกว่านั้นก็เรียกว่าได้กระเพทนาแล้วต้องฟังเทศน์ฟังธรรม เหล่าทั้งอารามที่ไม่เศร้าโศกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่หวั่นหวั่นอะไรใจเราสงบแล้วก็มีความ ด้วยหน้าอนาจของคุณวดีใจนะกุศลบุญบรรจุที่ ไกรกว่าด้วยอ่ะละพรต่ออีกที จันทโภนนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยเววัชฺชันตุสัพพโรโควินัตตะโหมมาเตปภาวัฑฺวํตรายโย Iyuvannosukhaṁ palaṁ urutappamangalaṁ lakhaṁ tu-sapa-devatāṁ ca-putthānu-phāvena phāvena ca pa อันที่ 2 3 เทศรสักอ่าขออ่าญาติ ที่วัดอโศกนี้สถานที่สงบและ โปรดได้รักษาความสะอาดสถานที่ด้วยทางวัดเราแล้วขอให้พวกเราทุกคน side. ขอประกาศด้วยนะฮะเจ้าหน้าที่แผนกสถานที่จัดเอ่อโรงทานได้บิโยมา ไม่สามารถเข้าเต็นท์อ่านำอาหารมาบริการก็ขอให้ เจ้าเพราะจะเป็นหน้าที่ของเราฝ่ายบริการเพราะฉะนั้นเราทุกคนโปรดช่วยกันวัด อ่าขนาดนี้บนวิหารชั้น 3 ก็ได้มีการอ่าบังสกุลอ่าอุทิศ 3 แล มาทําพิธีบังสุกุลอุทิศถวายๆขึ้นไปเพราะเราทุกคนเกิดมา ก็ขอให้เราร่วมมือร่วมใจกันขอให้ Ta bon tam bon Ah, mi món on bars pravay gurucande Pura, pari fork sekarang ewak-mewa itudinaang petananggu pakpati e, Ii tempat hitang tunghang gipa mewat semi jatuh sampai perang kepan danho pan so, raso yathaman ijoti